ขณะไหนพวกภิกษุณีจึงบวชให้หญิงที่มีครอบครัวมีอายตุต่ำกว่า12ปีเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะว่าหญิงอายุต่ตำกว่า12ปียังไม่อดทนไม่อดกลั้นต่อความเย็นความร้อนความหิวความกระหายสัมผัสจากเลือยุงลมแดดสัตว์เลื่อยคานคำกล่าวร้ายคำที่ฟังแล้วไม่ดีความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์แสนสาหัสรุนแรง